พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าิบลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่19มีนาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าทุกอย่างในโลกนี้ของเราใช่ไหมใจวันนี้เป็นวันที่ 19มีนาคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันพระขึ้น8ดค่ำเดือนสเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราที่เคยมาทำมาเป็นประจำแต่วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งทางฝ่ายพระสงฆ์ครัชทาญาตโยมทุกทุกท่านได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนายกถาเพื่อให้ลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมได้ฟังเป็นแนวความคิดเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาหรือรู้เรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือรู้เรื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเป็นระดับขั้นตอนมาถึงพวกเราก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการถ่ายทอดตามลําดับลงมาอย่างที่หลวงพ่อก็เหมือนกันเหมือน ก, นกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ปรับปรับหลวงพ่อมาก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ต้องเรียนรู้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นแต่ละแนวแต่ละแถว จะต้องค้นคว้าศึกษาตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจ เ, เกี่ยวกับหลักธรรมและหลักฟิตรในและกฎเกณฑ์หรือว่าเรื่องราวของพระธรรมคำสอนและเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อก็จะต้องได้ศึกษาได้เมื่อศึกษาได้ความรู้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะรู้หมดทุกอย่างก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกรู้เท่าที่จะรู้ได้ จะได้เมื่อรู้ได้แล้วก็จะได้นำคำสอนที่ว่าได้ศึกษามานั้นมาถ่ายทอดให้กับคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานพระเนนให้ได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายจะไปรู้หมดทุกอย่างไปค้นคว้าศึกษาทุกอย่างได้ประสบประการณ์ทุกอย่างขนาดนั้นจึงมาปฏิบัติก็คงไม่ได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่ได้ผ่านมาแล้วอย่างหลงพ่อเนี่ยเออ หลวงพ่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะอวดแต่หลวงพ่อเกิดก่อนพวกท่านได้ปฏิบัติทำมาก่อนพวกท่านแล้วก็ได้ผ่านเรื่องราวมามากพอสมควรไม่มากได้ยังไงเพราะหลวงพ่อบวชตั้งสมัยเป็นเนนอายุ1112ปีตั้งแต่ปี 2,500 ลูกหลานก็ยังเป็นลมเป็นแรงอยู่จากนั้นก็เป็นเนนอยู่ตั้ง8ปีผ่านสัมมเนรมาชีวิตสัมมเนร น, นั้นในช่วงเป็นสัมมเนร นั้นเป็นอย่างไรหลวงพ่อก็ได้ศึกษ า, าได้นำที่สมัยเป็นชีวิตสัมมาณ์นั้นมาบอกมากล่าวมาแนะนำอีกอาจากนั้นเมื่อบวชเป็นพระปีศูนย์แเมื่อบวชแล้วเป็นพระน้อยพระนมชีวิตของพระน้อยพระนมเป็นอย่างไงหลวงพ่อก็ได้เรียนรู้จุดนั้นอีก พอจากนั้นก็เป็นพระปูนกลางที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆหลวงพ่อก็จะได้ศึกษาได้เรียนรู้จุดนั้นอกีกและก็จากนั้นก็ได้ออกทุดงเที่ยวป่าดงพงไพรจากนั้นก็ได้ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์และก็ค้นคว้าศึกษาในพระไตรปิฎกเรื่องพระสูตรเรื่องพระพินัยเรื่องธรรมต่างๆและก็ประสบประการที่พบเห็น ผ่านมาเรื่อยเรื่อเรื่องต่างๆ่างทัง้งลาดทั้งหยาดทั้งโยมผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ที่เขามาบวชผู้เขามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละลวงพ่อก็ต้องได้เรียนรู้ต้องได้ผ่านในสิ่งเหล่านั้นมาจากนั้นเมื่อได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วถึงกลุงพ่อจะนำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้พระเนนลูกหลานพวกเราได้ยินได้ฟังว่าเรื่องเป็นอย่างนั้น ถึรงราไปอย่างนี้ได้ศึกษาถึงพระตไตรปิฎกเป็นอย่างนั้นชาดกเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้มาถ่ายทอดเพื่อให้ลูกหลานเป็นแนวความคิดเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติจากนั้นลูกหลานเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เป็นเกิดประโยชน์เป็นเนื้อหาสาระเป็นธรรมะเป็นแนวทางที่จะเกิดประโยชน์สาหรับตนเราก็เลือกเอาสิ่งนั้นที่ได้ยินได้ฟังนั้น เข้ามาปรับปรุงกายวาจาใจของเราจากนั้นเราก็แปลว่าได้รับการศึกษาเพราะเราได้กั่นกรองไตรตรองดูแล้วแต่สิ่งไหนที่เราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ใช่เรื่องของเราเราทำไม่ได้เรื่องอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยไ ป, ปแปลว่าเพื่อการศึกษาเพื่อได้ยินได้ฟังผ่านไปแต่ตัวไหนที่ได้ยินได้ฟังแล้วจะต้องนามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเร า, จ, าจริงๆนั้นเราก็ต้องนา เอาสิยงนั้นเข้ามาเพื่อการศึกษาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองเห็นคณะลูกหลานที่เป็นนักศึกษาแพทย์มาหิดลที่จะมาบวชวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงเพราะนั้นหลวงพ่อจะแนะนำเรื่องพิธีการแต่เรื่องศีลและวินยัยอันนั้นคือส่วนหนึ่งหลวงพ่อจะยกไว้ก่อนแต่วันนี้จะแนะนำเรื่องภาวนาเรื่องการภาวนา เริ่มต้นเรื่องภาวนาให้พวกเราลูกหลานได้ศึกษาหลวงพ่อได้ศึกษามาอย่างไงถ้าว่าอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ภาวนาเนอะพุทธโธพุทธโธเนอะแต่พวกเราก็คงจะจับต้นชนปลายไม่ถูกอีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเราจะไม่ไม่รู้จะทำยังไงในจุดนั้นแต่เพราะนั้นหลวงพ่อเองเป็นเด็ก ที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ก็ว่าเด็กแบเบาะก็ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยพอจบเรียนหนังสือจบมาแล้วจบเป็นเด็กอีกต่างหากจะเข้ามาไม่รู้จะทำยังไงนี่แหละอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนหลวงพ่อแบบสอนแบบกอไก่คอไข่สอนแบบจับมือเขียนเลยลักษณะอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นหลวงพ่อเองจริงสอนลูกสอนหลานสอนสอนคณะสัตยา ญ, ญาติโยมที่เข้ามาใหม่ หลวงพ่อจะสอนแบบหลวงพ่อได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้ท่านสอนอย่างไรหลวงพ่อก็นาเอามาสอนมาบอกมากราวให้กับลูกหลานเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาและนำไ ป, ปพุทธปฏิบัติได้ด้วยพราะทาอย่างที่ทําที่หลวงพ่อสอ น, นให้เ่้าว่าแนวทางแปลว่าเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนาบอกกล่าว อย่างที่หลวงพ่อเข้าไปครั้งแรกจุดที่วัดหลวงปูท่านก็บอกสอนเอเอเด็กชายอินนะ เ, เจ้าเข้ามาปวดแล้วก่อนจะหลับจะนอนอตอนค่ำนะ เ, เรียกว่าตอนยังไปมืดให้เดินจงกรมก่อนนะท่านบอกให้เดินจงกรมก่อน ทางเดินจงกรมอยู่ตรงนั้นพอมันข้ามแล้วจงค่อยขึ้นกุฏิแต่ยังไม่ข้าให้เดินจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมาก่อนที่จะเดินจงกรมให้ไปอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งแต่ก็หันหันหน้ามาทางเดินจงกรมพอจากนั้นก็ให้ปนมมือซะก่อนพจุยสุดทางเดินจงกรมให้หยุดหยุดยืนแล้วก็ปน ม, มือขึ้นระหว่างอกจากนั้นก็ไหว้ ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนเพราะว่าเราจะเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ใช่เป็นความคิดของเราไม่ใช่เป็นเป็นความคิดของผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นความรู้และเป็นแนวความคิดของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ศึกษาได้ศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาเพราะนั้นเราจึงยอมรับว่าเราจะเดินจงกรมจะเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ ปนมมือไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงเอามือลงไว้ในระหว่างท้องท้องน้อยเอามือขวาทับมือซ้ายพอจากนั้นก็ให้ก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโธไม่ต้องอย่าไปเดินช้าจะไปเดินเร็ว เดินตามปกติเหมือนกับเราเดินทั่วๆไปไม่ใช่ว่ายกน้อยย้าวน้อมต่างนั้นก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นเพราะจิตใจของเรานมันเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกมันเร็วยิ่งกว่าอะไรแต่ให้มีสติสำปชัญญะในการก้าวเดินขาขวาพุทขาใจโถพุโทพโถพุโทพโถพุทโถพุทโถไปสุดทางจะกรมเลี้ยวขวาปทักษิณ เดี๋ยจะเลี้ยวซ้ายกว่าสุดแท้แต่แต่โดยมากจะเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วก็หยุดยืนแล้วก็ก้าวเดินขวาพดซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถมาถึงที่นี่เลยกว่าหยุดแล้วก็ก้าวขาขวาพดซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถสรุปแล้วก็คือขาขวาพดขาซ้ายโถอันนี้คือพิธีเดินจงกรมแต่มืออยู่ในระหว่างท้องจะไปเอามือควายหลัง ถ้าเอามือควายหลังไม่ดีหลงปูมันเอนเหมือนท่านักเลงเไม่ขาดความเคารพเอามือยาวเอามือกอดอกเหมือนเหมือนคนเจ้าทุกอย่าไปไวายแขน เ, เพราะมันขาดความเคารพเอามือไว้วางระหว่างท้องน้อยอันนี้เป็นท่าลำพึงท่าเดินจงกลมท่ า, เ, าเตรียมพร้อมอแล้วก็าดแสดงความเคารพอันนี้คืออุบาจาร์ท่านสอด จากนั้นเวลาเดินยังกลเหนื่อยแล้วท่าไหนานแล้วเหนื่อยจะเราจะออกหรือบางทีเราเดิ น, นไปหยุดอยู่สุดทางจองกลข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นเราจะยืนกำหนดพุทธโธลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกอก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะหยุดดุดเดินยังกลจากนั้นก็ปนมือขึ้นแล้ววาง อ, อกเมื่อเราจะ เมื่อเราจะออกจากทางใดชยงกรมเราก็ไหว้ครูซะก่อนพทุทโธธรรมโมสังโฆพโทุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นด้วยอเนกสง์แห่งการเดชยงกรมของข้าพ เ, เจ้าขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบรรพบุรุษคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาขาญาติญาติพิชั ย, ยขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข ท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิงด้วยอายุวันณนะสุขะภาระให้มีความสุขเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็ออกจากทางเดินจงกรมอันนี้คือเดินจงกรมแต่ใ น, นเมื่อท่านเดินจงกรมเสร็จแล้วมันข่ํำ ม, มืดแล้วขึ้นไปปนกุฏิล้างเท้าให้สะอาดเช็ดเท้าให้แห้งจากนั้นก็ปูอาชนะที่นั่งแล้วก็หมอนอยู่ทางไหนเราหันทษะไปทางหมอน เพราะว่าเราไม่ต้องมีพระพุทธโลกไม่มีอะไรก็ได้คือเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราน้อมเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจของเราเพราะใจของเราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราจากนั้นก็กราบพุทโธปากกาไปทางหมอนที่เราจะนอนหันศีรษะไปทางไหนเรากล่าวไปทางนั้นกราพุทโธธรรมโมสังโฆ แล้วก็น้อมจิตวนานิพพานังข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานจะไม่ขอมาเวียนไหว้ตายเกิดหวังพระนิพพานไม่ใช่กราบเล่นเ่นไม่ใช่กราบปลอกปลอกสามครั้งไม่ใช่กราบพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังกราบหวังพระนิพพานนึกอย่างนี้ปิธีกราบจากนั้นก็ไหว้พระ阿拉หังสวารขาโตสุปฏิปโนอรหังสมมาสมพุทโธพะกวะพุทธงังพะคะวันตัง สวาก้าโตภควตาธโมธรรมังสุปฏิปันโนนกั น, นะโมตัสสะภควาโตอระหาโตสัมมาสัมพุทธสัจธาได้พุทธทางธรรมังสังฆังได้ก็ดีและอิทธิพิโสได้ก็กได้เวลาการาบลงมากกาเยยวิจายวาเจสตสวาพุทเทพวกข้าพเจ้าเด็ดประมาทผาดพลังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ โกรงโโหสีให้แก่ข้าเพาเจ้าด้วยข้าเพาเจ้าจะสำรวมระวังต่อไปไกายเยนความแปลและความหมายในลักษณะอย่างนี้จากนั้นก็แผ่เมตตานั่งประนมนึกในใจแผ่เมตตาเราจะว่าอาหางโซกิโตโหมินิโตโโหมิก็ได้แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นแล้วก็เถอะก็ต้องแผ่เมตตาเป็นภาษาใจของตนเองอีกเพื่อให้เข้าใจในคำหรือคาแปลคาว่าเมตตาเมตตานั้นคืออะไร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 กาพุทโธธรรมโมสังโขจากนั้นก็จะนั่งสมาธิต่อก็ได้เพราะเราเดินย่างกลมขึ้นมาหมัดหมดแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็นั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็คือขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโขพุทโธธรรมโมสรังโขสามจบ จากนั้นเอามือลงเอามือลงเราจะนึกแผ่เมตตาอีกได้เข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนะสักสองสามรอบจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทพุทโทอย่าส่งจิตไปทางอื่นอย่าให้จิตใจทะเลสาไหลไปทางอื่นถ้ามันมันหลุดไปเราพยายามดึงกลับมาเอาไว้ที่ปลายจมูก เวลามันหลงไปกลับเรืองมาให้ตั้งสติให้แข้มแข็งขึ้นอีกอย่าให้มันเผลอถ้ามันยังเผลอไพลไปอยู่เอา้ามันยังทําไมมันชอบไปให้บริกรรมพุทโธให้ทีให้เอาใจของตอนเองน่ยความรู้สึกของตัวเองนั่นน่ะอันนั้นแหละคือใจนั่นแหะความรู้สึกนึกคิดนั่นเอาความรู้สึกนึกคิดตัว น, นั้นแหะบริกรรมให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้มันมีช่องว่างให้ใจของเราบริกรรมแต่อย่าไปส่ง เสยออกปากอะไรไม่ต้องออกเสียงแต่ให้ใจบริกรรมพุทโถพุทโธพุทโธพุทโถพุทโถพุทโถพธอยู่ในนั้นอันนี้ก็ได้แล้วว่ากําหนดลมหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโถก็ได้เนี่อันนี้ก็คือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําท่านสอนให้ภาวนาพุทโธนะอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นที่ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนสิทธาณสิทธิ์ของท่านเป็นรุ่นๆมา ตั้งแต่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปูเงป่เทพหลงตามหาวุฒิถ้าเป็นลรกศิทธิสายหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่ผู้บาอาจารย์ท่านจะสอนให้ภาวนาพุทโธเกือบทั้งนั้นเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าผู้ใดภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับบริกรรมพทรุทโธเกือบถูกกับทุกจริตธรรมางา้นน ะ, เ, ะเกือบถูกกับทุกจริตไม่ใช่ทุกจริตนะเกือบถูกนะเอะเพราะท่านเออ พวกวิตกจิตโทสาจริตโมหะจริต เ, เวลากําหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี่แหละมันจะตัดอารมณ์เหล่านั้นได้เป็นจิตใจจะเป็นสมัทะคือทําจิตใจให้สงบซะกอ่อนนี่ว่าสมถะคือทําจิตใจให้สงบนี่ว่าสมาธิขณะจะบังคับให้จิตใจให้เข้าสู่ในความสงบเรียกว่าสมาธิจิตใจให้เป็นสมาธิ แต่ิใจให้เป็นสมาธินี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านบอกไว้กรรมฐานทั้งสี่สิบอย่างไงเออสี่สิบอย่างที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้ใครๆก็ว่าให้เอากรรมฐานทั้งสี่สิบอย่างนีงจับจิตจับใจจับผู้รู้จับความนึกคิดให้อยู่ใครจะถูกกับกรรมฐานไหนใครจะถูกกับจริตอันไหนกรรมฐานสี่สิบอย่างนั้นนำมาเอานามาบริกรรมนามา ตัวโพร้คือจิตใจให้เข้าสู่ความสงบให้ได้นี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐาน40แต่หลวงปูมั่นท่านเอาสองอย่างมาผนวกกันคืออาณาปานสติพร้อมกับบริกรรมพจโทะ อ, อ, อนุสติส0บนั่นคืออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้กรรมฐาน4ี่นั่นนะอนุสติมีอยู่40สบแรกัคือ พุทธานุสติธรรมมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอาณาปานุสติอุปัชฌานุสติมรณะนุสติเนี่ยเออเราเลึกถึงความตายตายตายตายเนี่ยกับบริกรรมว่าตายตายเนี่ยกัเป็นภาวนาเหมือนกันนะเออหรือธรรมโมธรมโมเนี่ยก็ภาวนาเหมือนกันสังโฆสังโฆเนี่ยกรรมฐานเหมือนกันเทวตาเทวตาเนี่ก็เป็นการบริกรรมเหมือนกันเออ แล้วก็ว่างว่างค า, าว่าพระนิพพานอุปสมานุสติทำจิตใจให้ว่างว่างว่างก็เป็นการภาวนาอีกเหมือนกันเพราะนั้นอนุสติส0บนั่นก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นท่านเอากรรมฐานสองอย่างที่หลวงพ่อได้บอกอกรรมฐานสองคืออะไรคืออาณาปานสติพร้อมกับบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ ถ้ากำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันสั้นเกินไปมันหลุดได้ง่ายแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โค ต, ต้นโพวันเดือนหกเพจนั้นท่านไม่ได้บริกรรมพุทธโธนะท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระไทย ใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาเรียกว่าปุเพนิวาสานุจติยานอันนั้นคือของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นนท่านเอากรรมฐานของพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นบวกหายใจเข้าพดหายใจออกโถหายใจเข้าพดให้ใจออกโถเพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานคณาสตา ญ, ญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะ ให้ปฏิบัติตามที่ในที่พ่อแม่กรูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพวกเราเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เรามาศึกษาในสายหลวงปู่มั่นมาศึกษาในแถวหลวงพ่อเป็นศึกษามาสายหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหงพ่อแนะนําจะเป็นสายอื่นหลวงพ่อไม่แนะนำเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในช่วงนี้เข้ามาให้ลูกหลานทั้งหลายศึกษาในสายหลวงปู่มั่นไปก่อน ถ้าหากว่าไม่ถูกกับจริตอย่างไรพวกลูกหลานยังค่อยว่ากันทีหลังเอ่อม่ใช่ว่าเข้ามาสายนี้แล้วก็ น, นู่นไปคิดสายอื่นไปทําอย่างอื่นเฮ้ยเผลอๆจะเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาเป็นไปได้ทั้งนั้นนะมันเดินผิดที่ผิดทางมันขัดกันนะ่ะอแต่ลูกพ่อจะมาตํำหนิว่าอสอนลูกหลานวิพิตไปอย่างนั้นไม่ได้นะลูกหลานนะผู้ที่เข้ามาศึกษานะต้องภาวนาอย่างที่หลวงพ่อพดูด ตรงลุงพ่อแนะนำแต่ลงพ่อบอกว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าสี่สิบอย่างหรือมากกว่านั้นแต่ลงพ่อให้ลูกหลานทั้งหลายภาวนาอีกที่ลงพ่อแนะนำอีกนะแต่ลงพ่อเคยปฏิบัติดูแล้วได้ผลและรู้ได้ง่ายอีกต่างหากเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสอ ง, องทดลองทดลองนับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งสอง สาี่จนถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีในช่วงระยะหนึ่งแต่ถ้ามันเผลอผลายหลุดออกได้ง่ายๆอันนั้นแปลว่าใช่ไปได้มันจะเผล อ, อยังไงเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองคู่หายใจเข้ามันขี้หายใจออกเป็นคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ถึงร้อยถ้ามันจะเผลอมันจะคู่ขี้สิ น, นี่ยมันสลับกันนะ คู่ขี้หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้เนเอยแปลว่าสติของเราใช่ไม่ได้แล้วบางคนนับไปถึงสิบเพลสไพลเป็นรูกกี่ครั้งอันนั้นแปลว่าสติของเราเลื่อนลอยไม่น่าไว้ใจเพราะนั้นให้ลูกหลานสังเกตอีกเหมือนกันในเมื่อนับถึงร้อยสองสามครั้งแล้วให้พวกเรากําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพดหายใจออกโถต่อไปนี่อันนี้แหละวิธีการภาวนา จากนั้นจิตใจของเราเมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเท่นีอมันจะนิ่งมันจะมีสติสัมปะชัญญะเพราะเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นจริงเพราะเราอยากจะให้มันจิตใจของเราพักใจของเราก็จะเข้ า, าสู่ความสงบ ah. เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นคณิกาอุปจาระอปนาอปนาคือทาจิตใจให้เน่ง จิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นสติเป็นอะไรจิตเป็นนั้นนั้นจิตสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อจิตรวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกว่าเออกายกับใจเนี่ยอาศัยกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นจิตเห็นได้ชัดมากเลยเมื่อจิตสงบเราเห็นได้ชัดร่างกายของเราก็เห็นชัดอีกต่างหากกายกับใจ เ, เห็นเหมือนกับเรา ม อ, มองรถกับคนขับรถอย่างนั้นอ่ะหลวงพ่อเปรียบอย่างอื่นหลวงพ่อก็ไม่มั่นใจเปรียบใส่รถกับคนขับรถนะ่ะเอร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจตัวผู้รู้นะ่ะเหมือนกับคนขับรถแต่มันอาศัยกันอยู่กายกับใจเห็นได้ชัดเมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนี่แหละจากนั้นเมื่อผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วนำใจดวงนี่นแหละที่ผู้รู้รู้ที่เอาโซเฟอร์นะนะั่นน่ะเออ ที่อยู่ในร่างกายต น, นี้นะ่ะนำมาพิจารณาพิจารณาอะไรเพราะพระเดชเจ้าให้พิจารณากายเพราะคนเรามันหลงกายแต่พวกลูกหลานทั้งหลายเรียนเรื่องสรีระของร่างกายเมื่อเป็นแพทย์เรียนอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่เรียนแบบกรรมฐานไม่ใช่เรียนเพื่อปล่อยวางเรียนพวกลูกหลานเทียนเป็นแพทย์เป็นหมอเรียนตามีหน้าที่อะไรมีอะไรมีประสาทตามีกี่อย่างประสาทสีประสาทแสง ต้องเรียนรู้ในประสาทของตาหูมันมีกี่อย่างมีกี่ชั้นมีกี่แก้วหูมันมีอะไรมันออกโยนในสภาพเช่นไรไอ้อันนี้ก็คือเรียนรู้ถึงวิธีการจะแก้ไขผมมันออกมาจากไหนมันเป็นยังไงที่ผมมันหล่นมันร่วงเพราะอะไรมันเชลตัวไหนที่มันเป็นยังไงอันนี้ลูกหลานจะต้องเรียนเรื่องอย่างนั้นแต่การเรียนศึกษาของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เรียนอย่างนั้นทีเียอย่างที่พวกเรา พูดเอยังโค่มีกายอยู่กายของเรานี่แหลอุดทางปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโถเกสามัตตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่จุดรอบปูโลโนันปาการัสอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิอิปั จ, จิมิงกายเยมีอยู่ในกายนี่เกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาพันตะโจหนัง หนังในมันห่มร่างกายอยู่มังสังเนื้อชํ่แหลเข้าไปเถอนี่เอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดนไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอาการ32ของร่างกายเนี่ยมาแยกส่วนแบ่งส่วนเอาซิกองผมไว้ถอนผมไว้กองหนึ่งขนไว้กองหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งเลาะฟันไว้กองหนึ่งถะลกหนังไว้กองหนึ่งเนื้อไปกองหนึ่งเอ็นกระดูกแต่ละกองแล้วกองตับไตลำไส้ปอดเป็นกองกอง ถามเลยสิถามใจที่ผ่านความรู้ผ่านความสงบมานั่นอะ่ะใจที่ผ่านความสงบเป็นหนึ่งถามโซเฟอร์เนี่ยที่มันสงบแล้วอ่ะเอีอันนี้ร่างกายของเราเป็นของเราใช่ไหมใจเนอโซเฟอร์อันนี้เป็นของเราใช่ไหมทำลายออกมาจากนี้เออมันก็ใช่เนี่ยทำลายเป็นเครื่องออกมาแล้วใช่อันนี้จะเป็นของเราใช่ไหมถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่เลยไม่เป็นของเราไม่ได้ พราะมันแยกกันแล้วถ้ามันรวมกันกับเป็นรถมันก็วิ่งได้อันนี้เป็นเศษเหล็กเนี่ยมันจะเป็นแยกมันจะเป็นของเราได้ยังไงฮะอันนี้โซเฟอร์ก็ถามโซเฟอร์เลยถึงแยกแยะแบ่งส่วนจัดส่วนแบง่งส่วนดูเถิด น, นี่เห็นไหมโซเฟอร์ออขนาดรถคนานี้คิดว่าเป็นของตัวเองแท้แต่เมื่อชำแหออกมาแล้วถอดออกมาแล้ว อันนั่นก็คือหม้อน้ําอันนี้คือยางอันนี้ก็คือลูกสูบอันนี้ก็คือสายพานมันจะเป็นเป็นรถเราได้ยังไงมันเป็นเศษเหล็กใช่ไหมจะเป็นลักษณะ น, นี้เออโชเฟอร์ก็บชายขนาดร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดนีนะ้จะไปยึดส่วนอื่นว่าเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมโชเฟอร์ะโชเฟอร์ก็รู้ไปเรื่อยๆแหละท่นนี้เออใช่ อยศถาบรรดาศักด์เงินคำทรัพย์สมบัติเลือกสวนไร่น้าพี่น้องเพื่อนผูงจะเป็นของเราอย่างนั้นใช่ไหมโชเฟอร์เออก็ไม่น่าจะใช่แต่เมื่อเมื่อเราเป็นอยู่เราก็ต้องอาศัยกันแต่ถึงจุดนั้นแล้วนถ้ามันชำระออกไปเป็นกองกระดูกอยู่อย่างเงี้ยแหละขนาดกองกระดูกยังไม่ใช่ของเราเลยสิ่งเราอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงเออใช่ใช่ไหมโชเฟอร์ฮะ นี่แหละใจของเราก็จะรู้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องตาวต่างๆจากนั้นเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะที่จะเข้ามาบาลุมมาตุ่มจิตใจของเราเราก็จะรู้ได้จากนั้นเราก็อืมร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะสิ่งเราอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงจากนั้นก็พิจารณาเข้าหาตัวผู้รู้เออดูดูผู้รู้ดูใจแ่ะ่ี่โซเฟร์ดูโซโฟร์ล่ะทนี่มองดูตัวเองละ่ะนี่ เนืโซเฟอร์นะเราจะหลงไปถึงไหนวะขนาดนั้นยังไม่ใช่เราเรายังเป็นของเราอีกอยู่เลยเนี่ยพิจารณาขนาดเราเนี่ยก็ยังคิดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมปุรู้ใจโซเฟอร์สิ่งไหนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราใช่ไหมสิ่งไหนเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกขังสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนแล้วไปยึดทุกได้ยังไงใช่ไหมโซเฟอร์ โซเฟอร์ก็ยอมรับไปทีละน้อยละน้อยทุกอย่างจากนั้นก็ปล่อยวางลงที่ใจเกิดความเบื่อหน่ายโอ้ใจของเรามันเป็นหลงอย่างนี้เองเนี่ยจากนั้นก็เบื่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่ออผมคนเล็บฟันหนังนะมันอยู่ที่ใจใจไปให้ความสาคัญเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดรู้แจ้งเห็นจริงในจิตในใจแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลาย สลัดทิ้งนั่นแหล ะ, ล ะ, ละมักผลนิพานไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะทศไทาญาติโยมถึงทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็พวกเราให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้หลงเนื้อลืมตัวให้รู้เท่ารู้ทันรู้สิ่งรอบร้านรู้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างยึดอะไรอย่าไปยึดมาก จนคิดว่าตัวเองจะไม่ล้มไม่ตายจนยึดจนเป็นทุกข์เป็นร้อนในจิตในใจไม่ใช่ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดอย่างอื่นว่าเป็นจิฟังทาวรไม่น่าจะถูกฮะพิจารณาดูสิจริงไหมในเมื่อพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่เบือ่อมากก็ต้องเบื่อน้อยไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยแหละสิไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งมากรู้รู้แจ้งน้อยแหละสิ เพราะเราเพราะเหตุอะไรเราได้พิจารณาเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญธิโยมทุกหมู่ทุกท่านนะวันนี้ได้พูดเรื่องแนวปฏิบัติให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาเริ่มต้นอย่างไรหลวงพ่อเริ่มต้นอย่างไรเด็กชายอินเริ่มต้นอย่างไรครูบาอาจารย์สอนอยังไงวิธีการเดินยังกรมทํำยังไงวิธีไหว้พระทํำยังไง วิธีนั่งสมาธิทํำยังไงวิธีการกําหนดจิตให้จิต ใ, ใจสงบทํำยังไงสมถะ ท, ทำยังไงวิปัสสนาทํำยังไงแยกส่วนแบ่งควรยังไงจากนั้นก็พิจารณาร่างกายและพิจารณาตัวผู้รู้คือใจพิจารณาอย่างไรอันนี้พวกเราก็คงจะจับประเด็นได้นะการพูดการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติในการพูดอละตอนนี้ไปนั่งสมาธิ